การปฏิบัติธรรมนี่คือการเฝ้าดูทุกข์การเรียนรู้ทุกข์การอยู่กับความทุกข์การเผชิญกับความทุกข์แบบเข้าใจมันอนะตัวที่เกิดจากการเห็น น, ะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตนี่คือหนึ่งความง่วงหละ่ะสองความคิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งก็ตามนะขอแต่มันเกิดความคิดขึ้นมาทังไม่ยังหยุดเหมันเป็นนะออกจากความง่วงให้ได้ออกจากความคิดตัวเองให้เป็นเนะี่ย เห็นพระเห็นโยมบางคนมานั่งหลับตลอดนะ่ะโอ้ยตายคือต้องออกจากความง่วงให้เป็นตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วเนี่ยคือต้องฝืนมันให้ได้ฝืนมันให้เป็นมันเป็นยังไงอะ่ะเทศสอนก็แล้วทําให้ดูก็แล้วนะบางทีว่าเ อ, อตัวอย่างที่ดีดีกว่าคําสอนเนี่ยถ้าสอนคนตาบอดนี่ทํำยังไงอะคือสอนคนตาบอดเนี่ยทำให้มันดูดียังไงก็ตามมันก็ยังหลับเหมือนเดิมอะ่ะคือมันตาบอดนะ สอนคนตาบอดสองคนโง่มันจะโง่อยู่นั่นนะจะยากเลยสอนก็แล้วเฉยก็แล้วทําให้ดูมันก็ยังเหมือนเดิมแหะมันทํามดีขึ้นไม่ได้ในนิมนต์พระพุทธเจ้ามาสอนนี่ยังจะยากเลยเจ้าตัวอย่างดีขนาดไหนให้มันดูหน่งเพราะมันตาบอดไงคือคนโง่มันไม่รู้จักตัวเองโง่คือมันคิดเยอะมันก็ไม่รู้จักว่าตัวเองคิดเยอะมันง่วงมันก็ไม่รู้จักว่ามันง่วง มันพอใจไม่พอใจมันยังเข้าไปอยู่เรื่อยๆมองไกลๆโยมมองไกลๆมองไกลๆมองปฏิบัติทรรมเนี่ยอันหนึ่งคือเวลาไม่บอกไม่สอนนานๆเข้าเวลามานั่งนั่งเนี่ยจะหลับตลอดคะัคือจิตมันพอใจไงพอคนไม่เอาใจใส่ให้เราปฏิบัติคนเดียวแล้วเราดันจมอยู่กับความม่วงนานพอมาในซาลานี่คือผลมาละอันเนี่ยคือผลผลิตมาละคือฝืนไม่เป็นเลยออกไม่ได้เลยอ่ะ คือมันจบพอดีนะการปฏิบัติทําเราแล้วจะโง่เท่านี้แหละชีวิตนี้เราอย่าหวังว่าจะเจอมรรคผลกับเขาอย่าหวังว่าจะได้เห็นธรรมะสูงสูงขึ้นไปอีกลึกซึ้งเข้าไปเนี่เป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าครั้งไหนข้างไหนพวกเธอทั้งหลายมาเธอก็อยู่กับความง่วงอย่างเงี้ย <S <S หรืออยู่ในกุฏิก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็เดินยองงแงงๆแล้วก็นั่งหลับอะไรย่างเงี้ยว่ามันออกไม่ได้หรอกทาให้ดูขนาดไหนก็ตามเนะี่ยเหมือนเดิม นั้นลงตาเวลาพามาทำเนี่ยเอออยากให้มันเกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาเอาป่อยมันมานั่งหลับกันเองแนะหละลำลั บ, ล บ, ลบตื่นๆไปทำเรื่องทำภาษาโง่ๆมันเนี่ยคือมันต้องมีกําลังใจเอาท่านสอนขนาดนี้ดีขึ้นดีขึ้นเอาค่อยยังชัวงนะ่วหน่อยอันนี้มาทุกวันเหมือนเดิมเห็นสภาพยังกระซากศพเหมือนตายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรนะไอเ น, นี่ยนั้นเวลาไปทำคนเดียวจะ อ, อวดดี ตั้งใจทําฝืนนี้มันเป็นสู้มันให้ได้เขาให้เวลาทํารีบทํารีบปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจไม่รีบมาปฏิบัติเอาเข้าไปกุฏิก็มีจะหลับออกมาก็มานั่งหลับเข้าไปไม่มีใครไปตามที่เอานะเขาปล่อยให้เราโง่เองนันแะตื่นขึ้นมาละแก้ไม่ได้เลยควา ม, มห่วงนี่คือด่านแรกของการปฏิบัติทำจะมาหลั บ, บ, บตื่นๆนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนะ ก็บอกทุกายยินดีในความพอใจที่นั่งหลับตาฟังนั่าหลักตาสร้างจังหวะย่นี้โอ้ยคือถามตัวเองหน่อยเถอะว่าทำมากี่วันแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยไอเ น, นี้ยแบบนี้นะแล้วมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีรีบเปลี่ยนแปลงเลยอ่วิธีปฏิบัติเนี่ยทําแบบคนมีความละอายเป็นน่ะการปฏิบัติทําคือการรู้ความลับของมันเน่ยไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่างความง่วงเนี่ยมันเกิดยังไงเนี่ยดูให้มันเห็นให้มันเป็นจริงๆนะ่ะ แต่มันเข้าใจมันจริงๆเข้าให้มันถึงจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราตื่นเช้าสายมาหลับเนี่ยควบคุมมันได้สักชั่วโมงนึงอะไรประมาณนี่ยคือทั้งวันเนี่ยยให้มันทุกข์เลยตื่นมาแล้วเนี่ยทําให้มันเป็นน่ถ้ามันไม่เป็นมันไม่ก้าวหน้าอะไรนะคือเราไม่ได้ฝืนอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาฟังให้มันเข้าใจในธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเด้มันพิจารณาการเห็นแจ้งเล้ พอเธอจะมาประคองไปพอวันวันไม่ใช่นะทายังไงมันจึงทะลุอารมณ์พวกนี้ไปได้เนี่ยมันจะได้หายจากโรคเสียทีใครติดอารมณ์ไหนอารมณ์ง่วงเหรออารมณ์ง่วงก็ทําให้มันผ่านอารมณ์คิดเหรอืออารมณ์หงุดหงิดมันมานจากไหนเนี่ยทําให้มันผ่านไปสู่ความเป็นอนัตตาให้ได้ทุกอันเข้าใจไหมไม่ได้หมายควมาอยู่ร่วมกินร่วมไปวันวันแล้วไม่มีความก้าวหน้าอะไรเกิดขึ้นนะ เอาไปมาพอตัวเองไม่ก้าหน้าแล้วนี่คอยจับผิดคนนั้นคนนี้ล่ะก็คือมันสร้างเกราะป้องกันตัวเองมันเอาตันหามาครอบตัวเองไว้เอให้เห็นเลยตื่นมาในคู่ต่อสู้เราคือใครมันไม่สงบจิตเนี่ยมันไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะความง่วงรบกวนเนี่ยมันไม่สงบเพราะความคิดมันรบกวนอย่างนี้เออกำจัดมันให้หมดซะไม่ได้หมายาไม่ง่วงไม่ไม่คิดแต่มันติดอยู่กับความง่วงก็ไม่เอานะ เหมือนที่สวดไปเนี่ยคือดับที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยเอเทซานิวีสมานานิวีสมาสติคือมีสติเห็นว่ามันเกิดตรงไหนดับตรงนั้นเลยอย่าไปรอถึงอันเดี๋ยวกับเข้าไปแล้วก็ไปนอนอกีกหรือกลางวันค่อยไปนั่งหลับอกีกอะไรประมาณเนี่ยยไปคิดแบบนั้นฮะแล้วเมื่อไหร่ไม่จะดับทุกข์ได้สักทีถามตัวเองว่ามากี่ปีแล้วเนี่ยปฏิบัติรำเนี่ย ไม่ใช่มันยิ่งแย่ลงเหรอไม่อายครูบาอาจารย์มึงเหรอที่สอนมานานเนี่ยไม่อายญาติธรรมด้วยกันเหรออะไรที่มันตื้นตื้นเล็กเล็กน้อยน้อยนี่ให้มันผ่านไปเถอะความง่วงความหงุดหงิดติดอารมณ์พวกนี้ใหญ่มันมีใหญ่มันมาเก่อตัวขึ้นในใจเราเนี่ยเยี๋ยวมาเก่อตัวขึ้นในจิตเราพอเก่อตัวปุ๊บให้เห็นมันทันทีอันนี้มันไม่เห็นนะเนี่ยเสียดายอะไรก็ไม่รู้นะ นี่แหละต้นตอของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่นั่นแหละดูที่การรู้เท่าทันแล้วอย่าไปยุ่งกับมันนั่นแหละคือมันยังไงก็ไม่รู้นะอ่อนแอยังไงก็ไม่รู้ว่าเออทําไมไม่รู้จักเนาะความง่วงมันมาเนี่ยทําไมมาพากันเพลิดเพลินอย่างอ่ะมันก็ได้มีความลึกซึ้งอะไรในะความง่วงเนี่ยทําไมไม่เห็นความยินดีพอใจตัวเองเมื่มันเกิดขึ้นเข้าไปอยู่ในอารมณ์เนี่ยทำไมไม่เห็นนะทะํามจะั้งมันหายไปเลยไม่ได้เหรอ คือมันน่าจะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาน่าจะเขียนการบ้านข้อใหม่ให้แล้วเอาเอาการบ้านอันนี้ไปทำนะทีนี้อันนี้ไปทำนะวันนี้วันนี้นนก็มาอ่านง่วงมาจากอะไรว่าง่วงมาจากอะไรว่าแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะการบ้านข้อเดียวตั้งแต่ปฏิบัติทำมายังทำไม่ผ่านเลยเนี่ยปัญหาคือขี้เกียจนี่แหละ พอมีขี้เกียจมีไม่มีโยนิโสถ้าไม่ขยันเนี่ยไอการสังเกตมันจะไม่มีเลยนะท่นมีมีความรู้สึกเอาวันนี้กูต้องผ่านอารมณ์นี้ให้ได้วะ่ะเออเช้านี้กูต้องสู้กับมันนี้ให้ได้เนะี่ยสายมากูต้องผ่านอันนี้ให้ได้มีแต่คิดว่าเอออยู่นี่ปุ๊บเดี๋ยวมีความคิดว่าจะเอาใหม่อยู่เรื่อยเอาใหม่อยู่เรื่อยทาไมไม่เอาในาปัจจุบันเนี่ย เกิดขึ้นตรงนี้ก็ดูตรงนี้นะเห็นตรงเนี้ยดับให้ได้ตรงเนี้ยนะเองในขณะนี้ท่านดีเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านพูดนะประชานาติให้มารู้แจ้งให้มารู้ชัดๆความง่วงมันชัดชดที่สุดของมันก็คือความว่างไงมีแต่มองทุกอย่างคือธรรมชาติธรรมชาติมันง่วงมากกับธรรมชาติไปหลับให้มันเนี่ยไม่ใช่นะความคิดมาก็คิดตามมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่นะคนลอันกันนะ ถ้างั้นจะไม่เจอสภาวะทำอะไรที่มันลึกซึ้งอ่ะไอ้ที่เราโง่โงอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละเราไม่กล้าสู้กับอารมณ์เราเราสู้เหมือนกับเราทําการทํางานอะไรสักอย่างดูดิดูมันทําให้มันเป็นอ่ะถ้าเรามัวไปเสียดายมันอยู่เนีไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกปฏิบัติทราวนี้เก็เสียดายวันนี้ก็เสียดายเสียดายทุกวันทุวันอะไรก็คือเสียดายเสียดายไม่ได้หลับเสียดายไม่ได้ง่วงเสียดายไม่ได้คิดอยู่เนี่ย คิดมาเขต้องคิดตามมันทั้งเสียดายความคิดเนี่ยมีแต่ความคิดดีๆเนี่ยความง่วงมากเออเสียดายกลัวไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ้าลตามมั น, น่ล้วมีอะไรยังเคยสอนมาเนี่ยมันมีอะไรดีมันไม่มีอะไรดีด้หลายปีห้าสิบหกสิบปีในนอนมาในเห็นเหมือนเดิมนี่ไม่มีอะไรดีขึ้นดิคือเราทำทุกวันทุกวันก็เห็นไม่ปลามันกินเบ็ดมันมีอาการยังไง สายมันจะตึงนะตึงมันเหมือนกระตุกอะ่ะฉะนั้นตั้งแต่ยกมือสร้างจะงหวามาเนี่ยเคยมีไม่ว่ามันมีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดินจงกรมมานี่ยมันมีไหมไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีสมาธิหน่วงนําจิตไปเนี่ยมีไหมไม่มีมีแต่ยกมึนยกเฉยนะเดินไปกับเดินเฉยเฉยไม่เห็นมันได้เลยมีแต่ความคิดหลากไปลากมาโอมันต้องมีความหนักแน่นของมันนะสมาธิเนี่ย มีความเหนียวนำน่วงนำใบเออเดินจุกงมมันจะมีปีติมีสมาธิมันมันก็เกิดกับการต่อสู้หน่อยเน๊สมาธิระดับเนี้ยพอคิดดีคิดเป็นคิดเก่งเนี่ยนักวิชาการเขามีแค่นี้เด้ของเราเนี่ยจะเอาสมาธิมาดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี่ยจะไม่เห็นแจ้งจิตตัวเองนะเนี่ยไม่ได้เอามาแค่ตื้ น, ต, นตื้นนะนั่นจะให้พอคิดได้คิดเป็นอมันไม่มีเนี่ย มันไม่มีศักยภาพพอที่จะดับทุกได้หรอกเครียดเนี่ยมันตื้นไปมันไม่ต่อเนื่องให้มันก็ไม่เยอะไม่หนักหนว่วงเลยนะสมาธินี่คือความหนักหน่วงสติคือความรับรู้ปัญญาเนี่คือความคมมันอะถ้ามันมีพร้อมกันโอ้มันตัดกิเลสก็ได้ง่วงมาหายไปเบื่อมาหายไปดับได้ดับได้ดับได้ดไดอะไรมันก็ดับได้ดีๆนั่นแหละคือปัญญาละที่จะทําเนี่ย จะให้สอนไปถึงไหนเนี่ยจะเอาตัวอย่างขนาดไหนนี่สอนคนตาบอดสอนคนโง่ันโง่เท่าเดิมเนะต้องเปลี่ยนแปลงนี่ไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ดอจะมาเป็นคนโง่ไปถึงไหนเนี่ยดูเขาตีคองร้องเปล่ามาจะไม่มีอารมณ์เลยบางทีบางทีคนบางทีมาปฏิบัติทำเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นร้อยสองร้อยเราก็ยังไม่ตื่นเน่ยบางทีนี้ แทนที่มันจะตื่นตาตื่นใจมีเฮลี่มีโอทต์ตัะเกิดขึ้นมันไม่เกิดสักันเนีอยู่คนเดียวกับเหมือนเดิมโง่เท่าเดิมหลายคนก็โง่เท่าเดิมจะมีอะไรดีไปสำนักนั้นกับเหมือนเดิมสังนัางนี่กับเหมือนเดิมโง่เท่าเดิมมันมันต้องพัฒนาอันเนี้ยไปเปิดดูดิหรือไปจาดูดิไปฟังมาดิวันนี้วอร์มันมีกี่ตัวตัวไหนที่กูแก้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ ตัวไหนที่ยังดับไม่ได้ตัวไหนยังไม่มีความมั่นใจมันเลยเนี่ยเอาสู้กับมันเดิตัวนั้นนะลืมตากว้างๆโยมย้ายมันหลับเราใย้ายมันมีเหตุมีผลเลยใจเราเนี่ยว่ามันเมื่อยมันอ่อนมันเพลียพึ่งมาเพื่อยังไม่เคยชินเพื่เนี้ย้ายมันมีถ้ามีเหตุผลแบบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเนี่ยฝืนมันะให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ยอมมัน่ะเราไม่ได้เผลอเข้าไปในมันเนี่ย อย่างนั้นงจะได้มองเข้าไปดูที่จิตตัวเองอะดูใจตัวเองเนี่ยเียเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันมีคิดกับเหงาท่านแหละจิตมันเปื้อนมันสกปรกมันเคลานี่วอนแล้วตื่นขึ้นมาในีาจัดการเลยชำระล้างมันเลยล้างห่วงล้างเหงาล้างคิดเนี่ยออกมีศรัทธายเยอะ สัทธา ย, ยากดับทุกเนี่ยมันเหมือนกับเปิดฝาไว้เนี่ยเวลาอา้าวสอนเวลาพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่เห็นเนี่ยเออเอาไปทําเลยแต่นี่มันเอ้าพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็ น, นทนํนนเาท เ, ทเป็นตัวอย่างอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีเกิดปัญญาเพราะมันหลับตามันจะเห็นอะไรจิตมันลงไปอยู่ข้างล่างนู่นนะ่ะมันไม่ลืมตาขึ้นมาข้างบนมันจะดูออกเลยเจะปัญญามาจากไหนเนี่ย มันต่างกันนี่กับคนมาใหม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยออืขยันยังมีความละอายอยู่ยังมีความเกรงใจถ้าจะเป็นานันนันขี้เกียจนะนันนึงบอกว่าเอ้ยทําไมคนเก่าๆพระปฏิบัติธรรมโยมปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี่ยิ่งเก่ายิ่งโง่เพราะอะไรเพราะความเพียรมันน้อยะเหตุผลมันเยอะมันอ้างนันอ้างนี่แล้วอย่างหนึ่งก็คืออืมขี้เกียจนี่แหละ ใครสอนก็ไม่ได้ได้วทีเนี่ยมีเหตุมีผลอ้างโน่น อ, อ้างนี่เป็นเด้แต่ว่าไม่มีเหตุผลกับจิตตัวเองเลยมี่กิเลสเกิดแี่ไม่มีเหตุผลที่ต่อสู้กับกิเลสได้เลยเหตุผลที่จะมาใช้กับกิเลสตัวเองเนี่ยไม่มีแต่มีโน่นเป็นเหตุผลที่กับคนอื่นนะ่นน่ะเวลามันป้องกันอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะตัวตนของมันเนี่ย ล้วปฏิบัติทำอยู่ทั้งวันมันไม่มีเหตุผลในใจเนะี่ยใจไม่มีเหตุมีผลเลยใจจะว่างๆไม่มีเหตุผลที่ต้องความง่วงจงง่วงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องคิดจะปุงแต่งพวกนี้ทำเป็นไหมไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรมากมายเลยเพียงแต่ดูมันให้ต่อเนื่องเท่านั้นเองแลวอย่าหลงเข้าไปในมันเวลาหลงตอนไหนก็รู้จักเห็นไหมเขาบอกว่า จิตม ar ีราคะก็รู้จิตมีราคะมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตมีโมหะนี่นะรู้บ้างไหมมีโทสะนี่พอรู้มีราคะพอรู้แต่มีโมหะนี่รู้ตัวบ้างไหมโมหะคือหลงเข้าไปอยู่ในความคิดแต่เมื่อไหร่หลงเข้าไปอยู่ในอารมณ์ในความงงงงเหงาเมื่อไหร่อะย่างความโกรธนี่เขาเคยมาโกรธไปตั้งนานแล้วถึงรู้ราคะไปตั้งนานแล้วโทสะไปตั้งนานแล้วถึงรู้จัก โลภะไปตั้งนานแล้วยิ่งถ้าง่วงเนี่ยยิ่งหลงเข้าไปอยู่ในความโมหะเนี่ยยิ่งยากโมหะคือความหลงจิตมีโมหะก็รู้จีเอาถ้ามันหลงแล้วมันยังจะรู้อีกเหรอหลงรู้โอ้หลงนะรู้นะว่ามันหลงเข้าไปในโมหะแค่รู้นะจิตมันรู้ตอนโอ้จิตหลงเป็นอย่างนี้เนาะแค่นี้มันก็เกิดปัญญาแล้วนะเนี่ย อันนี้เราไม่ได้สังเกตได้เวลาส่วนก็สวดไปเฉยเฉยไม่รู้จะเอาอะไรไปใช้ไม่รู้จะเอาข้อไหนอะไรยังไงแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองอ่ะเอามาพิจารณาให้มาละเอียดหน่อยแล้วสังเกตในจิตตัวเองหน่อยว่าเอออันนี้ยเขาชี้มาที่นี่ดูมันดูดิเนีโอ้ท่านดูเข้าใจมันก็เกิดปัญญาแก้ได้เนี่ยไม่ต้องเข้าไปดูลึกไม่ต้องไปดูตื้นอะไรเลยแค่รู้จักสังเกตเป็น สังเกตว่ามันคิดมันไม่คิดมันง่วงมัเม่งง่วงก็พอแล้วเนี่ยนะมันง่วงก็แก้ไขให้มันเป็นเอามันออกให้ได้ไอ้ที่มาทรมานตัวเองเนี่ยจุดประสงค์นี่คือจะมาฆ่ากิเลสนละมาทรมานกิเลสได้แท้ตัวเราเองเป็นตัวเดียวกับกิเลสเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีนะเราคิดว่าเราทรมานไงเรารู้สึกเราเป็นทุกข์ไงแต่จริงจิงตัวกิเลสนั่นนีตัวทุกข์เนี่ย เราจะมาจัดการกิดล์เราได้เนี่ย